จะองค์ตมันักตั้งน้ำโม่ก่อน้ำมนต์พระคุณเจ้าบุนน้ำโม่ด้วยนะเพราะกาตั้งน้ำโม่นั้นน้อมน้อมถึงพระบิดาเจ้า ที่ปติสามปติการันเชริอันท่วรางอาญาจะทาสันติทัสตาปารชักข้าชาติกา หนึ่งบาร์ สุดผ้าอินทรีปวดปวงประชาชีให้รู้ทางกษเสสารจึงโอ พุทะก็อาตมาภาพพระกันตพัสัจจาณนงตอนนี้หลวงพ่อก็ได้ส่งได้มอมหมายส่งให้อาตมาภาพไปเป็นเจ้าว่าที่วัดลำชะล่าจังหวัดพิจิตรก่อนอื่นขอกราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าทุกทูกและเจริญพรมายังแม่ชีและญาติโยมทุกท่าน วันนี้จะหยิบยกพระธรรมเทศนาในเรื่องของความโกรธในเรื่องของความโกรธนั้นก็ถือเป็นกิเลสตัวหนึ่งกิเลสเนี่ยมันจะมีความรับความโลภความโกรธความหลงซึ่งจากประสบการณ์ที่อาตจจมาได้บวดมา4ปี ก็มีความรู้สึกว่าตัวที่ยากที่สุดในการที่เราจะเอาชนะมันเนี่ยคือความโกรธความโลภเรายังตัดมันได้ง่ายความหลงเราก็ยังตัดมันได้ง่ายส่วนความโกรธนั้นเท่าที่อาจจะมาผ่านมาเนี่ยตัดมันไม่ได้สักที เราฝึกมาก็เยอะบวชบวชมาอยู่กับหลวงพ่อก็อยู่มา 4, สาี่พรรษาหลวงพ่อก็ได้สอนธรรมะมากมายซึ่งเราก็ได้รับธรรมะจากหลวงพ่อซึ่งเราคิดว่าจากตอนแรกที่เข้ามาเป็นคนที่มีหรือว่ามีอารมณ์รุนแรงมีอารมณ์โกรธมากเป็นคนใจร้อนอยู่มา เรื่อยๆได้รับธรรมะซึมทัพจากหลวงพ่อเรื่อยๆหลวงพ่อจะสอนในเรื่องของศีลในเรื่องของสติในเรื่องของสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือว่าความโกรธนั้นเราต้องมีสติสติอย่างที่หลวงพ่อบอกคือความรู้ตัวก่อนที่เราจะโกรธเนี่ยเราก็ต้องควรมีสติรู้ว่าเนี่ยเราจะโกรธซึ่ง ไอ้กิเลยตัวอื่นเนี่ยทาเราจะกําจัดมันเนี่ยไม่ยากทําได้เอาธรรมะที่หลวงพ่อสอนมาไปยุใช้ทําได้แต่ความโกรธเนี่ยสติบางทีก็หลุดตลอดเพราะว่ามันโกรธยิ่งใครมาพูดถึงพ่อแม่หรือพูดถึงหลวงพ่อในทางที่ไม่ดีเนี่ยบางทีมันสติมันเอาไม่อยู่ฝึกมาแทบตายก็เอาไม่อยู่ก่อนที่จะไป อยู่ที่พิจิตนั้นอย่างที่บอกว่าในสมัยก่อนมาบวชใหม่ๆเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงเราไม่เคยมาปฏิบัติไม่เคยมาฝึกสมาธิไม่เคยมาฝึกสติถือว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีคนหนึ่งถือว่าเป็นเด็กเอาแต่ใจเด็กเกนเนเด็กนิสัยเสียมาถึงที่วัดก็พรรษาแรกก็ไปทะเลาะ ก, กับเขาแล้ว แพอความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ตามมาก็คือกรรมโกรธเมื่อไหร่กรรมตามมาเมื่อไหงกรรมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมกายกรรมหรือมโนกรรมเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเรามีความโกรธขึ้นมาพรรษาแรกเลยก็มาทะเลาะแล้วก็ไม่รู้เวรกรรมอะไรชีวิตนี้บวมมาทะเลาะแต่ละคน เป็นคนใ ห, ใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างพรรษาแรกก็ไปทะเลาะกับนาชินาก็ขาดสติพอมันรู้ทีหลังเนี่ยเราเอาธรรมะหลวงพ่อกับเราเข้าไปคุยกับหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็ได้สอนธรรมะมาว่าเนี่ยเราต้องลดทิฐิความโกรธเนี่ยเพราะมีทิฐิพวกคู่ตามมาไม่ใช่มีทิฐิก่อนถึงมีความโกรธตามมาเรามีทิฐิขนาดเราบวชเป็นพระ เรายังมีทิศบีว่าเราถูกเสมออ่อาไอ้นี่เราคิดเนี่ยทิศบีมันคิดว่าเราถูกแต่ถึงเวลาจริงๆในชีวิตจริงๆเนี่ยบางอีมันไม่ถูกเสมอไปมันก็ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมพอเราคิดได้เนี่ยเราก็ไปขอโทษเขาแต่มันก็สายไปแล้วเกิดความโกรธครุ่ความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บกร ม, ม, ม, ม, ม, ม, มตามมาแล้วเวจีกรรมมีการด่ากัน มโนกรรมเราก็คิดคิดยังไงก็คิดไม่ดีกับเขาไม่ว่าจะปฏิบัติยังไงเวลาคนมีความโกรธขึ้นมาในใจเนี่ยปฏิบัติปุ๊บนั่งปุ๊บหน้าบนนั้นลอยขึ้นมาทันทีเลยนั่งยังไงก็ไม่นิ่งมันจะโกรธจะคิดคิดถิตลอดเวลาจนพอเราไปขอโทษเขาปุ๊บมันก็ดีขึ้นแต่กว่าจะดีกันแบบ <c oughs> สนิทใจจริงๆเนี่ย ก็ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดความโกรธปุ๊บเกิดกรรมแน่นอนและความอัยยะก็จะตามอ่พอเราไปที่จิตเราก็คิดว่าเราก็ฝึกมาเยอะและ้วอ่ามาถึงเสร็จก็เฮ า, าอีกแล้วไอ้สติที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไม่อยู่อีกแล้วเกิดความโกรธอีกแล้วอ่าแลอย่างที่บอกเหวนกรรมโยมลูกศิษย์หลวงพ่อพาไปหาท่านเจ้าคณะจังหวัดอ่ อันต่อมาเข้าไปก็ไปกราบเจ้าคณะจังหวัดเราก็ดูแก่สันดานเรานี่มันแก้ไม่หายในความที่เราเป็นคนเลวคนอะไรมาก่อนเนี่ยเรามองใครแล้วเราก็เอ๊ะทำไมเขาดูมันเต๊ะเต๊ะ ย, ยังไงไม่รู้ไม่ถูกจิตตาไม่ถูกจิตาเราเป็นคนแรงเป็นคนที่มีความโกรธความอยุ่แรงสูงแล้วก็มองไม่ถูกจิตาไม่เป็นไรเราละงับเรามีสติเราต้องไม่มีเรื่องกับเขา ไม่เป็นไรพูดไปพูดมาเขามาพูดเหมือนพาดพิงถึงหลวงพ่อเราก็เอาแล้วมึงพูดถึงหลวงพ่อเราเอา่อาตอนนี้โกรธสติก็คุมไม่อยู่แล้วโกรธพูดโอ้โหนั่งเตะเราก็มองแล้วไม่เป็นไรเราฝึกมาแล้วเราไม่ยุ่งดีกว่าแตะก็แตะไปอา่าเล้วมาพูดถึงหลวง่ อ, อยังงู้อย่างนี้ทําไมหลวงพ่อแกดื้อยังงู้อย่างนี้ ม์มานั่งปกก็ไม่มาเราแล้วสติหลุดอีกแล้วเริ่มวิบเราอีกแล้วอะพูดไปพูดนมาเนี่ยฉันเคยมานะวัดอิติวัดป่าเนี่ยนี่ทำไมหลวงพ่อแข็ดือ้อฉันบอกให้สร้างเป็นรีสอร์ทเก็บเงินญาติโยมคนละสามร้อยโอ้โหเราทางนี้ฟิลขาดเลเป็นพระ ก, ก็มีทิฏฐิทิฏีิที่ว่าพ่อเราเก่งเสมอถูกเสมอทุกอย่างถูกอ่ แล้วเรามาพูดถึงข้อเราไม่เหมือนทางนี้มพ อ, อเลยเอ่าก็เลยตัดสินใจเขาควรมาแล้วก็เลยควรกลับ เ, เขาก็ถามว่าอ่าแล้วมาเนี่ยพอดีโยงเขาไปบอกบอกว่าเอาแม่ชีมาด้วยแม่ชีมาสองลูปก็คือส่งไปสามสีว่วัดแต่ว่ามีวัดเนี้ยวัดลำชะลายนี่ยของแม่ชีา่าเขาก็ํามมถาม ม, ามันต่อ ม, มาว่าแล้ว เอาแม่ชีมาทำอะไรอําไมาก็ก็ไม่รู้ก็หลงท่อทรงมาอา่แล้วที่วัดชีเยอะไงอ่าในเจ้าคณะจังหวัดนะเยอะอ่าแล้วทําไมบวชบวชบวชเป็นชีกันทําไมเยอะๆเขาผมจะไปดูได้ไงบางคนก็มีปัญหาบางคนไม่มีตังค์บางคน อ, อกหักปวดหิง้งก็วบวชชีกันคนมาบวชชีมันก็ไม่ค่อยดีเท่านั้นนะอ่าคนดีๆก็คงไม่มาบวชกันหรอก ผมก็ตอบขึ้นไปอย่างนี้ก็เริ่มเกิดอัยยะเริ่มเกิดขึ้นและ้ะเรามีความโกรธอัยยะเริ่มเกิดหละัะสติ ค, ครับเกิดการถกเถียงกันพ อ, า อ, าอ่างนี้เสร็จหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านก็บอกว่ามาอยู่ที่เนี้ยต้องทําตัวเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีนะคุณจะมาใส่สีคาบแบบนี้ไม่ได้อาตมาก็บอกไม่เปลี่ยนเขาบอไม่เป็นไรผมไม่มีชุดผมไม่เปลี่ยน โมกไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพอถวายให้หลวงพ่อมีเล้วชุดสีน่นี้ไม่เอาผมใส่ไม่ได้หรอกถ้าผมจะเอาผมเดี๋ยวผมไปสั่งซื้อเองคราวนี้ก็ออกมาในูปกาานที่ไม่ค่อยดีละก็กลับลาเขาพอกลับลาเขากลับมาเสร็จเราก็มาคิด อ, อีกแล้วฝึกมาตั้งนานกูเป็นแบบนี้อีกแล้วทำไมมันถึงตัดไม่ได้สตีไอ้ความโกรธ อีกวันหนึ่งพาไปหาเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอเป็นชื่ออะไรจําไม่ได้ละบกจบปริญญาเก้าประโยคด้วยความที่เราสันดาห์อย่งที่บอกสันดาห์เราไม่ค่อยเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยมีความเคารพเท่าไหร่ไปถึงโยมเขาก็ชี้ให้ดูบอกว่าอันนี้คือเจ้าคณะอำเภอเราก็เห็นเขาหน้าเด็กๆหน้าเด็กๆ เ, เห็นเรียบร้อยแล้วก็คนนี้เห ก็ชี้ถักโยกไปนี้แหละตอนหน้าเขาเขาก็คงจะโกรธเรามอนกันนะทีนี้เท่าไปก็คุยกันก็เหมือนเดิมเลยเวณกรรมทําไมมันต้องมาหาเรื่องเราตลอดอแล้าถามว่าจะมาว่าโยกมาทําไมผมบอกก็พอดีมีโยกไปนิมนม่ะหลวงพ่อส่งมาเป็นเจ้ามากแล้วอายุเท่าไหร่ก็บอกาอายุไปก็สาห้าอายุสามสิบห้า แล้วท่านเรียนจบอะไรมาก็เรียนจบปริญญาโทแล้วทางพุทธจบอะไรก็จบนักธรรมโทแล้วทําไมไปทําอะไรมาตั้งนานนี่บวมมากี่พรรษาสี่พรรษาแล้วทำไมนักธรรมเอกเนียไม่จบมาทํามเราแบบนี้คุณไปทำํำมัวไปทําอะไรอยู่เออผมก็เลยพอเขาพูดมามางเ้ยความกรธเราก็เกิดอีกแล้วกวรมาเราก็เลยกวนกลับผมก็เลยต่อไปว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าผมทําได้ตลอดเลยเพราะผมลอกเนี่ยผมลอกเนียนด้วยอแต่คุณเฉยแล้วคงลอกแล้วโดนจับได้ผมเลยโนเลยด้วยก็เราก็ควรเข้าไปอย่างนี้แล้วถเราวบวชนมาทําอะไรวันวันอยู่วัดทําอะไรกินแล้วก็นอนไงธรรมมาทั้งหมดหอบอปล่าผมทํางานแล้วทําไมไม่เรียนหนังสือทําไมถึงทํางานทําไมถึงไม่เรียนเข้าวัดผมทํางาน ผมมาพัฒนาวัดผมมาสร้างความดีแล้วพระมาด้วยพันศาหนึ่งทำไมไม่สอนหนังสือเขาเราก็โกรธเราก็ตอบไปจะสอนทำไมเดี๋ยวเขาสึกกันหมดแล้วพันศาหนึ่งเองอเราก็ด้วยความสันดานเสียเขาแรงมาเราก็แรงกลับพอกลับไปเราก็ไปนั่งคิดเอ๊ะทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ทำไมเรากโกรธมัน ความโกรธเกิดขึ้นให้นลนะตามมาทุกครั้งเลยวันต่อไปเราก็ไปนั่งพิจารณานั่งทบทวนของสติทบทวนเราเข้าไปขอโทษเขาดีกว่าไหมพอดีมีพระจะไปทาหนังสือสุทธธีน ต, ตมาก็เลยพาเข้าไปคราวนี้เรามีสติแล้วที่ทำมามันฟิลขาดไปหน่อยก็เข้าไปก็ไปกราบขนั ก, กับพระว่ากรพร้อมกันนะ กล่ด้วยความสวยงามไปเห็นก็กลาวสวยงามเลยสามครั้งท่านเจ้าคณะอําเภอท่านเจ้าคณะอำเภอก็บอกอนิมนต์นิมนต์ขึ้นมานั่งข้งบนด้วยกันผมก็บอกไม่เป็นไรครับผมนั่งอยู่ว่าอันเนี้เราเคยเห็นหลวงพ่อเนี่ยคือเราไปพิจารณาแล้วเราเห็นหลวงพ่อทอํายังไงเนี่หหลวงพ่อเวลาเจอพระที่ไหนเนี่ยท่านจะมีความน้อมน้อมตลอดต่อให้เป็นพระรุ่นน้องเนี่ยถ้าเจอ แล้วพระที่หลวงพ่อไม่รู้จักเนี่ยผมวงพ่อไหว้โอ้โหเคารกสวยงามมากอ่าเราก็เลยลเอาเอาตามหลวงพ่อใช้บ้างโอ้โหคราวนี้รวมเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากวันก่อนคุยกันกว น, ก, นกันไปกวนกันมาคราวนี้แนะนําผมทุกอย่างแนะนําอย่างนี้อัาโบสสร้างไปถึงไหนแล้วก็เปิดรูปในโทรศัพท์ให้เขาดูว่าโอ้โห้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องขอลูกนี่มิตรทําอย่างงน้นอย่างนี้นอนโอ้โหเมอะผมมากเต็มสเ ต, ต็ปหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดความโกรธได้เรามีสติ เ, เราพึงระลึกเสมอเวลาถ้าเราจะโกรธขึ้นมามอะไร เ, เราลึกขึ้นมาโกรธเมื่อไหร่กรรมเกิดขึ้นมานั้นและไหนะตามมาแน่นอ น, นอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางผะส่วนติที่เราชะล่าเนี่ยก็มีเรื่องทางโยมอีกอยังอยงเราก็ไปทะลอะกับาทาง ทายกแล้วทายกเรื่องฝังล่งนิมิมีการทะเลาะ ก, กันว่าจะฝังยังไงเราก็ถามอาจารย์เราดีกว่าทะเลาะ ก, กันแต่ทะเลาะ ก, กันมาก็เลยโทรมาเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าลูกนิมิตมันต้องฝังแบบนี้ฝังอยู่จุด ก, กลางฝังวัดระยะนี้ระยะนี้เขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมในการที่เราไปอยู่ต่างที่ต่างเทมแบบเนี้ยเป็นการไปครั้งแรกเนะี้ยมันเหมือนกับว่า ครอบครัวเนี่ยคล้ายเหมือนเราแยกครอบครัวไปถ้าเทียบก็เหมือนการแต่งงานผู้ชายผู้หญิงอย่างคนนึงมาจากอาจจะทวีปหนึ่งไปแต่งงานกับอีกทวีปหนึ่งเหมือนเราอยู่ทวีปเอเชียเราไปแต่งงานกับคนทวีปยุโรปดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกัน อ, อย่างเราคิดว่าวัฒนธรรมเอเชียถูกเขาก็จะคิดว่าวัฒนธรรมยุโรปถูก คราวนี้ก็เลยเกิดความเห็นไม่ตรงกันล้วแต่เรามีทิฏฐิอย่างหนึ่งตรงที่ว่าวัดครูถูกยางหลวงพ่อคูเก่งวัดครต้องถูกตลอด อ, อันเนี้ยตัวที่เราไม่ยอมลดก็คือทิฏฐิพอเถียงกันก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาอีกก็เลยทะเลาะ ก, กันอีกแต่ว่าในการทะเลาะครันน้งนี้คือเรายัางไงเรายึดตามหลวพ่ออยู่แล้วก็เลยทะเลาะ ก, กับเขาเลยแล้วก็เอาตามเนี้ยคือเราเอาชนะให้เดือเราเอา ขุดหลุรุ่งนี้ระยะนี้ไหยนะนาตา ม, มาอีกแล้ววันรุ่งขึ้ น, นตา ม, มาจะออกบินธบาจะบินธบาปปุ๊บโยมันนี้เดินมานตามพระอาจารย์สรุปพระอาจารย์จะแบบนี้ใช่ไหมจะขุดระยะนี้ใช่ไหมผมบอกใช่ผมทาหลงพ่อผมแล้วหลงพ่อว่ามันต้องคุณอย่างนี้ถึงจะถูกเขาก็บอกว่าเเขา อยู่ที่นี่มานานไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้ของเขาเนี่ยระยะต้องเท่านี้เท่านี้เมนิดนิ ด, นดไม่เคยมีวัดไหนเท่านี้เขาทํากันออย่างที่บอกทวีปเอเชียทวอปยโุโรปมันไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันแต่เราคิดทิศิของเราคืออันนี้ถูกผมก็บอกไม่รู้ผมคิดว่าของผมถูกของคุณนะพี่เร า, นะาตามนี้แหละเขาก็บอกว่า เนี่ยเขามีญาติโยมที่ว่าจะมาทำบุญกระทิ่นเนี่ยฝากเงินเขามาประมาณ4ี่ห้าพันเนี่ยถ้าพระอาจารย์เอาแบบเนี้ยผมไม่เอาด้วยแล้วเงิน อ, อะไรตรงเนี้ยผมไม่ไม่ร่วมผมไม่เอาแล้เลิกผมว่านี่เลิกกระเลิบเรื่องหุ้นผมทาถูกแล้วอันเนี้ยเกิดอิทธิเกิดความโกรธเกิดไถยนะัเกิดกรรมมีการด่ากาัน ด่าการคิดไม่ดีต่อกันมันไม่ดีเลยเราจริงๆเราต้องใช้สติปัญญาหันหน้าเข้าคุยกันซึ่งก่าจะเกิดปัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าเราจะคิ ด, ดน้างึกออกเนียยากมากเราพยายามนั่งคิดเราจะแก้วิธีปัญหานี้ยังไงนั่งสมาธิก็แล้วฝึกสติก็แล้ ว, ลวปัญญาไม่เกิดก็ไม่รู้ทำยัง ไ, ไงถามอาจารย์เราดีกว่าก็เลยกลับมาที่วัด มาถามหลวงพ่อเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกมึงเป็นพระมึงก็ต้องลดทิฏฐิถ้าเกิดมึงไปทะเลาะกับเขาแบบนี้เขาก็ต้องไม่เข้าวัดพอไม่เข้าวัดเขาก็ต้องบอกลูกเขาไม่ต้องเข้าบอกหลานเขาไม่ต้องเข้าซึ่งพอเขาไม่เข้าปุ๊บมึงคิดว่ามึงเก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะสร้างได้ไหมวัดเนี่ยมึงเป็นพระมึงต้องลดทิฏฐิลงต้องมีจิตที่เป็นเมตตา แล้วก็ต้องมีความเป็นกลางหน้าที่ของเจ้าวาดที่กูส่งไปเนี่ยก็คือไปเป็นศูนย์รวมของคนไปช่วยเหลือคนไม่ให้มึงไปทําตัวแบบนี้เป็นทําตัวคารวะซะเองเราก็กลับมานัา่งคิดไปเจรนาโอ้หเส้นผมบางภูเขาปัญญาเราไม่เกิดเราคิดไม่เคยถึงเพราะทิฏฐิเรารุนแแรงมากยังไงเราถูกยังไงถูกถูกเราต้องไม่ยอม เถ้าเรายอมลดทิฐิลงตามที่หลวงพ่อสอนและมองดูในหลความเป็นจริงเป็นไปของธรรมชาติของสังคมเนี่ยเราแค่กลับไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปขอโทษเขาไปคุยกับเขาไม่เหตุด้วยผลอาตมาวันนั้นมีอารมณ์ไปหน่อยยังไงโยมก็ต้องเข้ามาช่วยกันอาตมาหยิดไปก็ขอโทษละกันยังไงเข้ามาช่วยกันนะ วุ่กันดีๆเนี่ยโอ้โหเขาก็ก็เริ่มเริ่มจากที่เขาไม่เข้าวัดที่โาบบอกเจะไม่แบบไม่เข้าวัดไม่เอาด้วยแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าวัดแล้วก็เริ่มเข้ามาช่วยแล้วพอในที่สุดเนี่ยพอจบกระเทียเนี่ยเราก็ไปใช้นี่ให้เขาก็าคือเป็นมิตรกับเขาแทนที่จะทะเลาะกันเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็รักเราแตอเ้วยเหตนั้นเนี่ยที่แท้สอนมาทั้งหมดเนี่ย ประเด็นของมันเนี่ยก็คือตัวสำคัญตัวอันตรายเลยจากประสบการณ์ของอาตมาก็คือความโกรธและทิฐิของอเราดังนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมพึงระลึกไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยกลับไปเนในชีวิตจริงเนี่ยถ้ามันจะเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อไหรน่นะให้เราพึงระลึกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดกรรมและก็จะให้อะนะจะตามมาแน่นอนต่อสุดท้ายนี้ ตะมาก็ขออ้านอิงเอาคุณพะัะษิรัตนา่ายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหายในสาหกรโลกจงดนบันดาลให้ญาติโยมผู้มาประพฤติปฏิบัติดีทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จคิดสิ่งในในทางที่เป็นกุศล ข, ขอให้สมปัานาทุกคนทุกท่านทุกประการเถิดเอวังก็มีด้วยประการชนู